คนจีนคือคนไทยนะหน้าตาแย้กไม่ออกอไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีเชื้อสายเดียวกันมาคนไทยนะมีเชื้อจีนผสมเยอะมากแต่ส่วนมากจะเป็นคนจีนทางใต้นะทางฟางโจทางอะไรพวกนี้ ว่งตุ้หายลำอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนทางภาคใต้ของจีนอะยพมาหลายร้อยปีแล้วพวกเรามาเรียนธรรมะนะเราอย่าไปวาดภาพกรรมาฐานว่ามันยากมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย มันก็แค่การเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีร่างกายกับจิตใจเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เพราะความแปรปรวนของร่างกายถ้าเรารู้ความจริงของจิตใจเราจะไม่ทุกข์เพราะความแปรปรวนของจิตใจ อย่างร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจเราเห็นความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันจะแก่เราจะไม่ทุกเราสึกร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเวลาเราเจ็บไข้เราก็ไม่ทุกเวลาเราจะตายเราก็ไนมะ่ทุกเพราะเรารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้คนที่มีความทุกเรายอมรับความจริงไม่ได้ จะต้องแก่แล้วยอมไม่ได้ก็มีความทุกข์จะต้องเจ็บไข้แล้วยอมไม่ได้ก็มีความทุกข์จะตายแล้วยอมไม่ได้ก็<ล>มีความทุกข์เลยในชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างความจรงิงก็คือความสุขเป็นของที่ไม่ยั่งยืนความทุกข์ก็เป็นของไม่ยั่งยืนความสุขเรียกร้องนะจะให้มันมาืม่อทีมันก็ไม่มา ความทุกข์ไม่อยากให้มันมามันก็มาได้เนี่ยถ้าใจเราเรียนรู้ความจริงนะ้เราเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นของไม่คงที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้จริงใจเราจะไม่หิวความสุขใจเราจะไม่เกลียดความทุกข์ใจเราก็จะหมดการดิ้นรนมีความสุขเราก็อยู่ยังมีความสงบสุข เวลามีความทุกข์เราก็ยัมีความสงบสุขอยู่ได้อยู่ที่เราฝึกของเราเองงันจุดหมายปลายทางของการฝึกปฏิบัตินั่นก็คือเราสามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกเราก็ไม่ทุกข์เราไม่หลงกับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอย่างคนในโลกบางทีก็ดิ้นรน อยากให้มีความสุขอะเงี้ยดิ้นรนมากนะยิ่งดิ้นรนกยิ่งทุกข์หรือเกลียดความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขความทุกข์มันก็มาหาเราบ่อยห้ามันก็ไม่ได้่ถ้าเราเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจเราังไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีความทุกข์ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดนะ ชีวิตที่จมอยู่ในความทุกขนะ์น่ยไม่ไม่ไม่ดีงามอะไรเลยสัน德าชาต์นั้งหลมันก็ยังจมอยู่ในความทุกข์ได้ถ้าเราทาตัวเหมือนมันจมอยู่ในความทุกข์ไปแบบอยู่กับ ม, มันไม่มีอะไรน่าชื่นใจนั้นมนุษย์น่สามารถพัฒนาจิตใจตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นงานที่จะทำเพื่อความพ้นทุกข์มันมีสองงาน งานหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานงานนี้คือวิปัสสนากรรมฐานตรงที่เราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องทํำวิปัสสนาเพราะเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วเราจะไม่ทุกข์อีกแต่อยู่ๆเราทํำวิปัสสนานะีโดยเราไม่มีสมาธิหนุนหลังเลยเนะี่ยจิตใจมันทําไม่ได้จริงทํำวิปัสสนาไม่ได้จริงมันจะฟุง้งซ่านนั่นเราก็ต้องฝึกสมาธินะให้ใจ สงบตั้งมั่นอยู่กัเนื้อกับตัวคนในโลกเนี้ยจิตใจมันหลงตลอดวันตลอดคืนมันหลงไปไหนส่วนใหญ่มันหลงไปคิดรองลงมามันก็หลงไปดูหลงไปฟังอะไรเงี้ยส่วนการหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายในนี้มีไม่มากนักส่วนใหญ่ก็จะหลงไปคิดเวลาเราหลงไปคิดนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจ เวลาหลงไปดูเราก็มีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเวลาหลงไปฟังก็เหมือนกันมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจเงื่งที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกเพื่อให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจได้นะสมาธินฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองพอจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงนะลืมกายลืมใจไป อยู่อย่างสบายอยู่อย่างมีความสุขไม่ไปนั่งจ้องเอาไว้ด้วยจ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจใน่ะใจก็เครียดไม่มีสมาธิจริงใจเครียดมีแต่ความทุกข์เราแค่รู้กายอย่างสบายใจรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจอย่างสบายใจรู้สบายสบายถ้าเรารู้ไปอย่างสบายในะใจเราสงบนะความสงบเนะี่ยเกิดจากความสุขนะ ถ้าใจเรามีความสุขใจเราจะมีความสงบแต่ถ้าใจเรามีความทุกข์ใจเราจะเร่าร้อนดิ้นรนงั้นเราเวลาฝึกกรรมฐานนนั้เราฝึกด้วยใจที่สบายๆอย่าไปเคร่งเครียดว่าจะต้องสุขจะต้องสงบจะต้องดีจะต้องเข้าฌานได้บางคนห่วงกลัวไม่ได้เข้าฌานไม่ต้องกลัวถึงไม่ได้หัดเข้าฌานเลยในขณะที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติไม่ต้องห่วงเข้าได้ทุกคนสุดท้าย อย่ากังวลจุดสําคัญที่น่ากังวลก็คือลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าไม่มีสมาธิงั้นเราฝึกนะให้จิตใจอยู่กับตัวเองเรื่อยๆสิ่งที่ทําให้จิตใจไม่อยู่กับตัวเองมีสองอันนหนึ่งจิตมันหลงไปที่อื่นหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังอีกอันหนึ่งก็คือเราไปจ้องเอาไว้จ้องร่างกายจ้องจิตใจจนมันนิ่งไปหมดเลย นิ่งเรารู้สึกไม่หลงเลยนะความจริงกำลังหลงอยู่ลงไปจ้องลงไปจ้องเราไม่ได้รู้สึกกายเราไม่ได้รู้สึกใจแต่เราไปจ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจจิตมันถลำลงไปจิตมันเคลื่อนลงไปอยู่ที่กายจิตมันเคลื่อนลงไปอยู่ที่ใจงั้นจริงๆแล้วไม่ต้องส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ได้นะถ้ารู้หลักของการปฏิบัติคำถามในการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีสมส่วน ส่วนหนึ่งเป็นคำถามที่ไรสาระหาประโยชน์ไม่ได้เช่นชาติก่อนมีไหมชาติหน้ามีไม้ตายแล้วจะเกิดไหมผีมีไหมนะการรู้อดีตเป็นไปได้ไหมรู้อนาคตเป็นไปได้ไหมการรู้วาระจิตคนอื่นเป็นไปได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านไม่มีประโยชน์กับการปฏิบัตินะถ้าเราสงสัยเรื่องพวกนี้ใจเด็ดๆนะใจกระหายโยนมันทิ้งไปเลยคาถามบ้าๆบอๆพวกนี้ ไม่สนใจคําถามหมวดต่อไปกลุ่มต่อไปคือคําถามในส่วนของการฝึกสมาธิศัตรูของการฝึกสมาธิหลวงพ่อบอกแล้วมันมีสองส่วนเท่านั้นนะการที่หลงหลงลืมอารมณ์กรรมาฐานกับการที่เราไปเพ่งจ้องอารมณ์กรรมาฐานอย่างเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจอยู่เราลืมการหายใจเนี่ยจิตฟุ้งซ่านหรือเราไปเพ่งลมหายใจนี่จิตเคร่งเครียด สิ่งที่ผิดในการทำสมาธามีสองอันเองแล้วสิ่งที่จะมาหลอกลวงเราเวลาเราทำสมาธิผิดนะเรียกว่านิมิตเช่นเรานั่งไปแล้วเราก็เห็นผีเห็นเทวดานะเกิดความรู้โน้นความรู้นี้อะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์นิมิตเป็นของหลอกลวงทำให้ใจเราฟุ้งซ่านเสียสมาธิงั้นะอย่าไปหลงนิมิตอย่างนั่งๆแล้วถอดจิตออกจักร่าง ไปเที่ยวสวรรค์ไปเลยไม่ดนะีเป็นเรื่องของนิมิตสิ่งที่ไปรูป้ไปเห็นระหว่างปฏิบัติสมถนะสถูของสมถะเนี่ยสิ่งที่เพียเพ้ยนออกไปจากการทำสมถะคือนิมิตบางทีนิมิตเป็นรูปมองเห็นเห็นคนนี้มานะทางทั้งที่เขาไม่ได้มาเห็นผนะีแล้วก็ทั้งทั้งที่มันไม่มีผี บางทีก็ได้ยินเสียงบางทีก็ได้กลิน่นนั่งสมาธิอยู่ได้กลิ่นหอมได้กลิ่นอย่างโน้นอย่างนี้บางทีได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพแล้วก็นึนกว่าผีมาจริงจิตมันหลอนทั้งมันเป็นนิมิตนิมิตเป็นรสก็มีนะอย่างเรากินข้าวเปล่าเปล่าเานี่ยสมาธิเราดีๆนะจิตสงบลงไปบางทีมีนิมิตอร่อยอยากกินเป็ดกินไก่อะไรนะรสชาติเหมือนเป็ดเหมือนไก่เลยนี่นิมิตทั้งมันเลย นิมิต ท, ที่เป็นสัมผัสาทางร่างกายก็มี น, ะนิมิต ท, ที่เป็นความรู้ความเข้าใจแปลกๆก็มีนิมิตเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่พอใจอยังฟุ้งซ่านอยู่เั้นเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วมันเห็นโน่นเห็นนี่อะไรนะอย่าไปสนใจสิ่งที่เราเห็นให้ย้อนมาดูที่ใจเราย้อนมาดูว่าตอนนี้ใจมันสงสยัยวไอ้ผีที่เห็นเนี่ยผีจริงหรือผีปลอม นยดูเข้ามาที่ความสงสัยจะไปดูที่ผีผีมันเป็นนิมิตขึ้นมาเพราะนิมิตเกิดในะย้อนมาที่ใจเลยจะผ่านนิมิตได้เั้นเรื่องของสมถะเนี่ยที่จะต้องเรียนกันนะก็คืออันแรกเนี่ยไม่หลงไปอันที่สองไม่นั่งเพ่งเอาไว้อันที่สามถ้าเกิดนิมิตขึ้นมาเนี่ยย้อนกลับมาดูจิตตัวเองเนี่ยถ้ารู้หลักอย่างนี้นะไม่ต้องมาถามหลวงพ่อเลยอยู่เมืองจีนก็ช่วยตัวเองได้นะใช้หลักนี้ให้แม่นๆ ส่วนการทำํำวิปัสสนานะีคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตเป็นกลางตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตั้งมั่นหมายถึงว่าไม่วิ่งไปวิ่งมาเป็นคนดูอยู่เฉยๆเป็นกลางหมายถึงว่าไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเมื่อไหร่ไม่ตั้งมั่นก็ทำํำวิปัสสนาไม่ได้ให้จิตหลงไหลไปอนะไรองนี้ หรือตั้งแบบเพ่งๆอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้มันมีศัตรูของวิปัสสนามีศัตรูของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสนูปกิเลสมีสิบอย่างไปดูไปหาอ่านเอาเองเยอะแยะไปอันแรกคือโอภาษแสงสว่างอย่างเรานั่งดูจิตของเราไปนะาแล้วมันสว่างขึ้นมาเราไปหลงดูที่ความสว่าง ถ้าหลงดูที่ความสว่างน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเสียเวลาเปล่าๆมันคล้ายๆนิมิตแหะแต่นิมิตไม่เกิดจากสมาธิะสมาธิที่ยังไม่เต็มส่วนวิปัสสนูเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่พอเหมือนกันแล้วไปทํำวิปัสนาโดยสมาธิไม่พอมันจะเกิดมีปัสสนูปกิเลสขึ้นมาบางทีเกิดความรู้แตดฉันรู้สารพัดเลยพระไตรปิฎกนี่รู้หมดเลยนะรู้โดยไม่ต้องอ่านเลยนะรู้ถูกหรือรู้ผิดไม่รู้แล้ว อาจจะรู้ผิดก็ได้แต่ความรู้เยอะแยะไปหมดเลยเพรนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเกิดความรู้แตกฉานมากมายนะ่ยอย่าไปหลงกับมันให้ย้อนกลับมาที่จิตเราอย่างบางทีอู้รู้โน่นรู้นี่รู้ไปหมดทั้งจักรวาลไม่รู้อันเดียวคือไม่รู้จิตตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้ละเพั้นเวลาเกิดอาการอะไรแปลกๆนะย้อนกลับเข้ามาหาจิตมาดูจิตตัวเอง ถ้าเราเห็นจิตตัวเองเลยของแปลกปลอมทั้งหลายจะสลายไปหมดเลยเนี่ยถ้าเรารู้หลักที่หลวงพ่อสอนนี่นะไม่ต้องถามหลวงพ่อเดี๋ยวเวลาพวกเราถามหลวงพ่อจะให้โอกาสถามเพราะว่าตกลงกันไว้ว่าจะให้ถามช่วงแรกก็ประมาณยี่สิบห้าสามสิบคนแล้วจะให้พักสิบนาทีไปเข้าห้องน้ำแเราค่อยฟังสิ่งที่เพื่อนเราถามมันจะอยู่ในสามเรื่องที่หลวงพ่อบอกอันหนึ่งเรื่องไร้สาระ เช่นนั่งสมาธิแล้วสามียังด่าเราอยู่เราจะทำยังไงไอ้นั้นไม่เกี่ยวกับสมาธินะสามีดา่านเะนี่ ป, นปัญหาไราสาระนะลูกดือ้อลูกดือ้อไม่เกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเรื่องสมถะนะลูกดื้อไปเลี้ยงลูกให้ดีก็แล้วกันะอย่างนี้ไม่ต้องถามเสียเวลานะแล้วก็เรื่องจิตมันหลงไปบ้างเพ่งอยู่บ้างนะ หรือเห็นนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่นี่กลุ่มของสมถะกลุ่มของวิปัสสนาก็คือดูกายนะแทนที่จะเห็นกายแสดงใจลับก็บไปเพ่งกายอยู่เฉยๆดูจิตแทนที่จะเห็นจิตแสดงใจลับก็บไปเพ่งจิตไห่เฉยๆหรือไม่ก็เกิดวิปัสสนูปกิเลสส ว, ว่างว่างอะไรเงี้ยนะแทนที่จะเห็นกิเลสนะกับเห็นแต่ความสุขใช้ไม่ได้นะหรือมีสติ รุนแรงมากเลยสติเข้มแข็งทำอะไรได้รู้ตลอดเวลาเลยแต่ใจเนี่ยไม่มีความสุขเลยพวกนี้สติแรงเกินไปก็เป็นวิปัสสูตัวหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังที่พวกเราถามนะไม่เกินสามข้อเนี้หนึ่งคำถามไร้สาระข้อสองคำถามในหมวดของสมถะคาถามในหมวดอื่นทีสามคือคำถามในหมวดของวิปัสนา ถ้ารู้หลักแล้วเนี่ยช่วยตัวเองได้ไม่ต้องถามนะทำไมหลวงพ่อต้องสอนหลักให้เพราะพวกเราอยู่เมืองจีนสงสัยขึ้นมาวิ่งมาถามหลวงพ่อยากใช่ถึงวิ่งมาได้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหนะลวงพ่อตันเด็กๆฟังภาษาจีนได้นะแต่มันเป็นจีนแท้จิว๋วจีนกลางไม่รู้จักเมืองไทยยุคนั้นไม่มีจีนกลางภาษาแท้จิว๋วหลวงพ่อรู้เยอะเลยตอนเด็กๆโดยเฉพาะคาด่ดดา รู้จักเยอะนะโตขึ้เราลืมเสียดายอยู่เหมือนกันถ้ารู้ว่าวันหนึ่ ง, งต้องมาคุยกับคนจีนเยอะๆอย่างนี้นะจ๊ะฝึกภาษาจีนภาษาฝรั่งฝรั่งไม่ต้องไปเรียนมันแล้ะเรียนภาษาจีนดีกว่าอ้าวคนที่หนึ่งคนแรกคนแรกเขา จะรู้เสบ่อยๆที่จะมีตัวรู้ลูกไกที่เครื่องไหวเขาอยากจะรู้ว่าตัวรู้นี้คือปลอมหรือว่าของจริงครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าหลวงพ่อพอรับแปลว่าอะไรตอนนี้เราตื่นเต้นรู้สึกไหมใจมันตื่นเต้นหใจเราดิ้นไปดิ้นมา รู้สึกไหมขนาด น, นี้ใจเราอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าไปอยู่ที่ฐานของมันมันมันรู้ตัวอยู่ข้างนอกนอกใจมันโล่งๆว่างๆดูออกไหมว่าใจอยู่ข้างนอกลองหายใจสิหายใจอย่าดึงจิตคืนนะหายใจเฉยๆอย่าไปดึงจิตคืนมาหายใจด้วยความรู้สึกสบายใจนะผ่อนคลายหายใจไป ตอนนี้เราเที่ยวไปหาแล้วรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนอยู่ข้างไหนให้รู้ทันไหมเนี่ยพอเราไปหายใจนะใจเราไหลไปอยู่ที่ลมบ้างสายไปส่ายมาบ้างเนี่ยรู้ทันมันไปเรื่อยๆถ้าพอรู้ทันนะใจสงบตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาตอนนี้เป็นตัวคิดไม่ใช่ตัวรู้ขณะนี้เป็นตัวที่กำลังคิดอยู่ เห็นไหมร่างกายกำลังพยักหน้ารู้สึกไหมสังเกตไหมใจมันวิ่งไปวิ่งมานคอยรู้ทันใจที่วิ่งไปวิ่งมาเรื่อยๆนะเมื่อไร่ที่เรารู้ทันใจที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยตัวรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติก็แค่รู้ทันใจที่วิ่งไปวิ่งมาเท่านะอย่าตอนเนี้ยวิ่งไปคิดละะเราก็จะรู้ทัน ตัวรูมจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะเห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนรู้เห็นความรู้สึกทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้อันนี้เราเดินวิปัสสนาดได้แล้วนะงั้นขั้นแรกเลยเนี่ยที่ต้องฝึกนะก็คือคอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาไหลไปไหลามารู้ตรงนี้ให้มากๆแล้วเราจะเก่งที่ฝึกมาใช้ได้นะดีอยู่ จะฝึกต่อไปนี้ก็คือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาคนที่สองท่านบอกว่าหนึ่งปีก่อนท่านจะเพ่งมากชอบคิดอืตอนนี้ท่านรู้สึกว่ารู้สึกตัวเริ่มธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากขึ้นอืถูกรู้สึกได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นะแต่ตอนนี้ใจมันวิ่งไปอยู่ที่หลวงพอ่อ ให้รู้ทันว่าใจมันวิ่งออกไปแต่ว่าไม่บังคับใจนะถ้าบังคับไม่ให้มันวิ่งนะมันจะเป็นเพ่งนะปล่อยให้มันวิ่งเรามีสติรู้ทันเราจะได้ปัญญาเราจะเห็นว่าจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่วิ่งไปก็ไม่เที่ยงจิตนะที่รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตที่วิ่งไปคิดเนกะ็ห้ามไม่ได้เนี่ยเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยเห็นมันทางานไปเรื่อย กำลังของสมาธิตอนนี้ตกไปนิดหนึ่งนะเมื่อก่อนเพ่งนิ่งเกินไปนะแล้วพอปล่อยเนี้ยใจมันจะฟุ้งได้เยอะนะพยายามให้ใจมันรู้สึกตัวไปสบายๆโดยไม่เพง่งมันเหมี่ยงกลับข้างนะจากเพ่งสุดขีดมันพอปล่อยจากการเพ่งมันจะฟุง้งนเะนี้ยเรามันฟุ้งซ่านเราก็รู้อย่างขณะเนี้ยจิตมันกระสับกระสาย ให้เราก็รู้ทันว่าจิตมันใส่ไปใส่มายาค่อยรู้อย่างนี้นะส่วนพิกษูณีนั้นนะเพ่งไว้จนชินเลยนะเพ่งอย่า เ, เพ่งเหนื่อยของของคนนี้ใช้ได้อยู่ดีขึ้นเยอะละเมื่อปีกลายนี้เพ่งอย่างแรงนะปีนี้สามารถผ่อนคลายรู้ตัวได้ดี ฝึกีคนต่อไปถ้ามาเขาเคาะสไนค์ข้าวอยากจะขอทำแนะนำมันจะลงพ่ อ, อ ม, มาทุกครั้งก็แนะนำทุกครั้งแหลนะจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะเราวปิดสังเกตตัวเองอย่างใจเราสงบก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ ใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกก็รู้นะใจเราดีก็รู้ใจโลภโกรดลงก็รู้รู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆรู้ไปด้วยใจที่สบายๆแต่ถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนะเราจะได้สมาธิชนิดสงบจิตใจจะไม่ได้มีแรงบนะอกคนนี้เมื่อกี้ตรวจไปแล้ว <laughs> ใจเนี่ยนะมันเพ่งนิ่งๆอยู่เราจะต้องปล่อยให้มันทํางานไม่เหลือกระทั่งตัวนิ่งสักตัวเดียวถ้ายังเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะของอื่นจะไม่เที่ยงแต่ตัวนี้เที่ยงเหลือความเที่ยงอยู่ตัวนึงคือเหลือจิตที่นิ่งๆอยู่เองงั้นต้องปล่อยให้ตัวจิตเนี่ยมันทํางานได้เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันไปคิดเดี๋ยวมันไปดูเดี๋ยวมันรู้สึกเนี่ย ให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ต้องไปแกล้งทําให้มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนของมันเองอยู่แล้วนะเราแค่มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเข้าใจัหมเข้าใจแล้วผ่านนะคนต่อไปทั้งเขาฝึกเจริญสติบแบบล้มพธิเทียนหนึ่งปีครึ่งเขาอยากจะรู้ว่า วิธีไหนเหมาะกับเขาครับลองทำขยับมือให้หลวงพ่อดูซิทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนสังเกตไหมตอนที่เราจะเริ่มขยับเนี่ยใจของเราที่จักปกตินะเราเปลี่ยนให้เป็นใจที่คลืมๆ ก, ก่อนเนี่ยเราผิดได้แต่ตรงนี้ กรรมาฐานทุกชนิดเนี่ยมีคุณค่าเท่าๆกันหมดแล้วแต่ความถนัดใครจะใช้กรรมาฐานอะไรก็ได้แต่จุดสำคัญคือจิตต้องถูกนี่คนที่ปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยผิดเหมือนกันหมดเลยคือตอนที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยชอบทำอะไรที่ผิดธรรมชาติบังคับร่างกายบังคับจิตใจตัวเองอย่างร่างกายเราเนี่ยถ้าหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิเรากาลังนั่งอยู่นะ ถ้าตลงพ่อบอกให้นั่งสมาธิเรอต้องความจริงนั่งอยู่ท่าไหนแนละ้วก็มีสมาธิท่านั้นได้ไม่จำเป็นเลยพอเราบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มบังคับจิตใจเนี่ถ้าพวกหายใจเราบังคับนะถ้าพวกขยับมือนย อีกแล้วก็สั่งท่าก่อนบังคับใจให้ขรึมๆ ม, มันผิดตรงนี้ผิดตรงที่ใช้ใจที่ธรรมดาถ้าหลวงพ่อบอกว่าอา้าวทำสมาธิสิเรากำลังนั่งท่านี้อยู่เราก็มีสมาธิได้ทำไมต้องนั่งตรงๆอ่ะ นั่งตรงเพราะมันนั่งได้นานนั่งอย่างอย่างนี้มันนั่งได้ไม่นานก็เลยให้นั่งกันปวดตรงๆแต่นั่งตรงๆแบบสบายนะอย่านั่งตรงนี้นะนั่งอย่างนี้นั่งได้ไม่นานอ่ะเดี๋ยวก็ปวดหลังนั่งสบายๆในท่าที่เราสบายแต่อย่าสบายจนนั่งหลับนั่งสบายๆแล้วเวลาเราจะเริ่มทํากรรมฐานเนี่ยเราอย่าดัดแปลงจิตใจของเรา จิตใจของเรากำลังเผลอลอย่างนี้ก็รู้ว่ามันเผลอไปนะแล้วก็ทำสมาธิทำอะไรไปเลยไม่ต้องไปทำใจขรึมๆนิ่งๆก่อนใช้ใจธรรมดาใจที่ธรรมดาที่สุดดีที่สุดใจที่ผิดธรรมดาไม่ดีเลยนั่นะใจของมนุษย์เนี่ยเหมาะกับกรรมฐานที่สุดนะใจของสัตว์เดรัจฉานไม่มีสติใช้ไม่ได้ ใจของสันนรกมีแต่ความทุกข์ใช้ไม่ได้ใจของเปลมีแต่ความโลภใช้ไม่ได้ใจของเทวดามีแต่ความสุขนะใจของพรหมมีแต่ความสงบใจของมนุษย์นี่แหละกลับกรอบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสแสดงไตรลักษณ์ดีที่สุดเพราะงั้นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นบุญที่สุดแล้วนะเพราะใจของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดร่างกายเราก็ไม่คงทนมากอยู่ไม่กี่ปีก็เริ่มแก่ให้ดูแล้วเริ่มเจ็บให้ดู ถ้าไปเป็นเทวดานะโหมันเป็นนมเป็นสาวตลอดชีวิตเลยไม่เห็นใจรักงั้นอย่างเราเป็นคนเนี่ยดีนะแต่ว่าเราเป็นคนเราก็่มีกายเป็นคนมีใจเป็นคนนะเราอย่าเปลี่ยนใจของเราให้มันผิดมนุษย์แต้องทำใจขลึมขลึมได้ที่แล้วปฏิบัตินะไม่ดี อย่างนี้ตึงเกินไปอีกพวกหนึ่งหย่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องทําใจเคลิ้มเคลิมแกล้งทำนะแกล้งทำใ hey, ห้เราท้อลราทุกข์นะ <laughs> อย่างเนี้ยอะแล้วบอกว่าสงบจริงๆไม่ได้สงบจริงๆขาดสติไปแล้วนะเพราะนั่งเนี่ยใช้ความรู้สึกตัวที่สบายสบายแล้วรู้สึกไปนะไปฝึกต่อไปอาบนต่อไป เ็ารู้สึว่าใจฟุ้งไม่มีสมาธิมีสมาธิอยู่นะสมาธิดีกว่าตะก้อนนี้เยอะเลยสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิเป็นสภาวะที่ใจอยู่กับตัวเองแต่สมาธิที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าใจต้องอยู่กับตัวเองตลอดเวลาสังเกตไหมใจมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะ ใจมันไหลไปไหลมาการที่เราเห็นใจไหลไปไหลมานั่นแหละคือการเจริญปัญญานะเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หล ง, ลงนะนั่นคือการเจริญปัญญานะสมาธิที่เราใช้เดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่ต้องเข้าฌานหรอกสมาธิเป็นขนาขนาไปจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สมาธิแค่นี้พอละนะเงื่อนที่ฝึกอยู่ตอนเนี้ยใช้ได้นะสมาธิพอใช้ได้ลนะ แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้มันเริ่มแน่นๆ่เริ่มแน่นๆอย่าไปบังคับจิตให้แน่นๆนใช้ใจที่ธรรมดาเป็นธรรมชาติที่สุดดีที่สุดเห็นไหมร่างกายมันขยับแค่รู้ร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะร่ายพยักหน้าละนะอนี้เหมือนกิ้งกาไม่ต้อง เอาคนต่อไปสมาธิใช้ได้อยู่เอาคนต่อไปเ ข, เขาเขาบันทีรู้สว่าใจจะมัวมัวสติรู้สึกตัวไม่ชัดไม่ตรงชัดใจมัวรู้ว่ามัวใจไม่ชอบที่มันมัวรู้ว่าไม่ชอบแค่นี้พอละหลวงพ่อนะภาวนา ในพรรษาที่สามบวชนานหลายปีลปลแล้วสิบกว่ปีแล้วอันนั้นบวชได้สามพรรษาสองปีกว่ า, วาจิตหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เป็นฆราวาสเนี่ยจิตสว่า ง, ง, งสว่างสบายอยู่ตลอดเวลาเลยนี่บวชแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะจิตมันมัวลงไปจิตมันมัวแล้วเราทนไม่ได้เราไม่ชอบเราก็พยายามแก้ นะเช่นหายใจให้แรงขึ้นอะไรอย่างนี้พยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวนะเหนื่อยเลยนะสุดท้ายปัญญามันเกิดนะจิตที่มันสว่างบ้างมัวบ้างสว่างบ้างมัวบ้างมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วงั้นเราไม่ต้องไปปฏิเสธจิตมัวรู้ว่ามัวจิตสว่างรู้ว่าสว่างดูด้วยใจที่เป็นกลางแค่นี้พอแล้วนะแล้วพอจิตมันยอมรับความจริงมัวก็รู้ ไม่ได้ไปเกลียดมันสว่างก็รู้ไม่ได้ไปชอบมันจิตเป็นกลางนะจิตจะยิ่งพัฒนาขึ้นไปอีกงั้นจิตมัวไม่ใช่ปัญหาแต่การที่ไม่ชอบที่จิตมัวนั่นแหละคือปัญหาเอาคนต่อไปเขามาเขาคอสขั้นที่สามขั้นก่อนหนุ่มพอว่าเขาฟุ้งไปดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้ว ฟุ้งไม่เท่าแต่ก่อนแล้วไงมีปัญหาอะไรเขาแค่ขอกาบ้านจากหลวงพ่อครับดูร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆนะวันนี้พอเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วเราต้องเริ่มเดินปัญญาสังเกตในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเห็นร่างกายทำงานอย่างมันไปกวาดบ้านมันไปซักผ้า มันเดินไปเดินมามันไปกินข้าวมันไปอาบน้ํามันไปขับถ่ายอะไรเงี้ยะเราก็เห็นร่างกายเนี้ทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราด้วยอย่างนี้บ่อยๆทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์นะอันนี้บอกกับทุกคนเลยทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์เพื่อเพิ่มพลังของสมาธิถ้าจิตไม่มีพลัง ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกจิตต้องมีพลังแล้วมีความตั้งมั่นอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้บังคับไว้จิตที่ไม่มีพลังเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมาด้วยการบังคับไว้แต่ถ้าจิตมีพลังเนี่ยไม่ต้องบังคับมันตั้งของมันเองนะเราต้องฝึกไปเรื่อยไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องไวหว้วันละครั้งนึกได้เมื่อไหร่ก็ไหไว้เมื่อนั้นนะ อาจจะพุทธทางสารนังขัจฉามิอะไรเงี้ยท่องมันหนในใจสบายสบายไปทั้งวันอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งท่องภาษาจีนก็ได้คนต่อไปเขาคราวนี้มาเขาคอสขั้นที่สามอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับรู้ทันใจของตัวเองไปพอจะรู้ได้อยู่แล้วนะ อย่างใจเราตอนนี้มันมีปีติมีความสุขเ ไ, ไมเราก็รู้ว่าจิตมันกาลังปลืม้มจะได้คุยกับหลวงพ่อแล้วความจริงไม่ได้คุยนะหลวงพ่อคุยอยู่คนเดียวเขาไม่ได้ออกเสียงเลยแต่ดีใจว่าได้คุยกับหลวงพ่อเนี่ยใจมันมีปีติขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันมีปีติเห็น ไ, ไหมปีติมันเกิดได้เองเราไม่ได้สั่งมันเกิดเอง เรารู้ทันไปนะเราก็จะเห็นปิติเดี๋ยวก็ค่อยสงบลงนะตรงที่มีปิติแล้วมันค่อยๆสงบลงนี้เรียกปัจสทธิใจเริ่มสงบระงับนะเสร็จแล้วใจก็จะค่อยๆมีสมาธิขึ้นมามีความสุขไม่งั้นเราจะเพลินขณะนี้มีปิติแต่ถูกปิติครอบงำใจนะรู้สึกไหมปิติมันครอบงำใจเราอย่างนี้ก็ยังไม่ดี มีปีติได้แต่ปีติก็อยู่ส่วนปีตินะไม่ครอบใจเรามันจะครอบใจเราเมื่อเราไม่รู้ทันว่ากำลังพอใจกำลังมีความสุขในปีตินี้ถ้านะเรารู้ทันปีติเกิดก็รู้ทันใจจะชอบปีติก็รู้ทันนะปีติมันจะแยกออกไปใจเป็นคนดนะูรู้ตื่นเบิกบานคนต่อไป เขาอยากให้หุวงพ่อช่วยชี้จุดอ่อนของเขาครับ <c oughs> จุดอ่อนก็ต้องไปดูของตัวเองนะสังเกตตัวเองแต่ละคนมันจะมีจุดอ่อนนะมีทุกคนแหละบางคนก็ชี้โมโหบางคนรักสุขรักสบายบางคนชอบอะไรที่เผลอเผลอฟื่นเฟื่อนไปทั้งวันอย่างเงี้ยสังเกตตัวเองนะอะไรอะไรก็สู้การสังเกตตัวเองไม่ได้ สังเกต ร, รู้ไหมว่ากิเลส ต, ตัวไหนเกิดบ่อยที่สดดูออกไหมของเราเองกิเลส ต, ตัวไหนเกิดบ่อยใ ค, ใครจะแปลได้โทษสัพครับโทรสาพท์ใช่ไหมถูกตอบถูกแล้ว <laughs> บางคนเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยมันจะแพ้กิเลสบางอย่างนะบางคนเนี่ยแพ้กิเลสสบายเผลอเผเฟลิเลนเนเนี่ยแพ้มีความสุขทีไรนะเลิกปฏิบัติทุกทีเลยพวกโทสะเนี่ยถือว่ามีบุญนะโทสะเนี่ยมีบ่อยๆตายไปด้วยโทสะตกนรกเลยนะแต่ถือว่ามีบุญตรงไหนโทสะเนี่ยดูง่ายที่สุด เวลาโทสะเกิดนะมันไม่มีความสุขใจเราไม่เพลินเนโทสะหรอกงั้นต่อไปนี้โทสะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันอย่าไปเกลียดมันนะไม่ใช่ว่าต้องไม่มีโทสะนะมีก็ได้แต่โทสะ เ, เกิดแล้วก็รู้ทันเกิดแล้วก็รู้ทันไะด้ๆต่อไปจิตมันก็จะแสดงธรรมะให้ดูจิตทั้งวันมีสองอย่างคือจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เกิดเดี๋ยวตัวนี้เกิดเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆ นะตรงนี้คือการเจริญปัญญาดูไปเรื่อยๆจิตมีโทสะเราก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตไม่มีโทสะเราก็รักษาไม่ได้จิตนี้เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สังเกตใจเรื่อยๆอย่างนี้เราก็เดินปัญญาต่อไปได้ไม่ต้องไปนั่งแก้โทสะหรอกแค่มีสติรู้ทันโทสะมันก็ดับของมันเองแล้วไม่ต้องกลัวคนต่อไป เขาอยากรู้ว่าเขาภาวนาถูกต้องหรือเปล่าครับ <c oughs> ตอนนี้ตื่นเต้นรู้ไหมตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นตอนนี้กำลังรอฟังอยากฟังหลวงพ่อบอกรู้สึกไหมรู้ทันใจที่อยากเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนในใจของตัวเอง ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปควบคุมนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราให้จิตของเราถลำถลำลงไปไปสังเกตแล้วรู้สึกไหมเราจงใจไปดูอย่างนี้ก็ไม่ทำนะเราต้องรู้ทันจิตตัวเองจิตจงใจไปดูรู้ว่าจิตจงใจไปดนะูคอยรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตตรงนี้สว่างขึ้นมา จิตตัวนี้เบาสบายขึ้นมาใจมันโล่งขึ้นรู้สึกไหมเนี่ยรู้รู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะรู้ปัจจุบันไปจิตเราสบายขึ้นมาก็รู้แต่ว่าคนนี้นะยังชินการน้อมจิตให้นิ่งๆซึมๆอยู่เนี่ยชอบทำานนีนนน้ต้องเลิกซะนะอย่าไปดัดแปลงจิต จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องแกล้งทําซึมเห็นไหมเมื่อกี้หลวงพ่อบอกตั้งแต่ก่อนจะสอนตรวจกันบ้านแล้วลว่ามันจะมีอย่างเนี้ยกลุ่มที่แกล้งทําเป็นซึมๆอย่างนีน้วันหลังเดี๋ยวเขาคงทําวิดีโอให้ดูนะไปไปดูตอนที่หลวงพ่อพูดช่วงแรกให้เยอะๆหน่อยฟังแล้วฟังอีกแล้วเราอจะจับหลักตรวจกันบ้านให้ตัวเองได้ อย่างคนเนี้ยชอบทำอย่างนี้ชอบทำให้นิ่งๆแต่นิ่งไม่ได้รุนแรงนิ่งแบบนุ่มๆหน่อยเนี่ยทำจิตแบบนี้มาจ้องแข่งกันมา <c oughs> <c oughs> ปล่อยให้มันเคลื่นไหวแล้วมีสติรู้ไปนะอย่ากแกล้งทําจิตให้สงบอย่ากแกล้งทําจิตให้สงบนะปล่อยให้จิมทํางานไปแล้วมีสติรู้เอาเอาคนต่อไปเวลานั่งสมาธิเขาหาไกลกับใจตัวเองไม่เจออ้าวเหรอนั่งแล้วมันหายไปไหนล่ะ <c oughs> ขนาดนี้ กำลังพนมมืออยู่รู้สึกไหมขณะนี้พยายามหน้ารู้สึกไหมเนื้อรู้สึกไปอย่างนี้มันไม่หายไปไหนหรอกนะถ้ามันหายไปเนี่ยจิตมันเข้าสมาธนะิแล้วถ้าร่างกายหายไปเหลือแต่จิตตรงเดียวอันนี้เป็นอรูปปัจจานนะถ้าจิตก็หายไปด้วยอันนี้ขาดสติอย่างไร้ายแรงนะนั่งแล้วกายก็หายใจก็หายไม่ดีเลยนะ ต้องพยายามให้มันมีกายมีใจไว้อย่างน้อยต้องมีใจเหลืออยู่อย่าปล่อยให้ใจหายไปถ้าใจหายไปเราจะเอาใจที่ไหนไปเรียนกรรมฐานกรรมฐานเป็นงานทางใจพอใจหายไปแล้วเรียนไม่ได้ละงั้นเวลาถ้านั่งไปแล้วใจหายไปเนี่ยพยายามกระตุ้นกวานรู้สึกตัวไม่ให้มันหลับไป รู้สึกตัวหายใจให้แรงขึ้นนิดหนึง่งพอนั่งพอมันจะเคลิม้มใจจะหายไปหายใจให้แรงขึ้นสักสองสามทีนะห้ใจแรงๆใจมือจะตื่นขึ้นมาใหม่อย่าให้ใจหายไปรนะ่างกายหายไปไม่เป็นไรนะคนต่อไปหายใจแรงๆขึ้นนะใจมันก็กลับมาแนละ้วเขารู้สึกว่า กิเลสที่หยาบหยาบจะเริ่มลดนองแต่กิเลสที่น่าเหยียดจะเยอะขึ้นขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับภาวนานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะทีแรกกิเลสหยาบหยาบมันครอบงําใจเราได้เพราะเราไม่รู้นี่พอเรารู้ทันนล้มันจะรู้ของหยาบก่อนมันดูง่ายพอเรารู้ทันแล้วกิเลสหยาบหยาบมันก็ครอบงําใจไม่ได้กิเลสก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะ เป็นธรรมดาถูกต้องแล้วสังเกตไปเรื่อยๆต้องระวังกิเลสอีกตัวหนึ่งนะเวลาเราภาวนาไปแล้วเราเก่งขึ้นนะมันจะรู้สึกภูมิใจว่ากูเก่งกูเหนือกว่าคนอื่นกูดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยให้รู้ทันมันนี่ก็กิเลสอีกแบบหนึ่งกิเลสชั้นละเอียดเลยนะคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกนัคอยรู้ทันใจเรื่อยๆกิเลสมันก็ค่อยๆลดละไปเรื่อยๆ วันไหนหมดกิเลสวันนั้นก็หมดความทุกข์แหล ะ, ะค่อยๆดูไปแต่อย่าไปเกลียดกิเลส น, นะกิเลสเป็นครูของเรากิเลสเป็นครูเพราะว่ากิเลสนั่นแหละสอนใจลักเราดูไปเรื่อยๆมีกิเลสล้วก็รู้เอาคนต่อไปเขามาเขาคอสครั้งแรกอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับหายใจไปเรารู้สึกตัวไป หายใจสบายๆนะไม่บังคับลมหายใจแล้วก็ไม่ไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจรู้สึกทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวเนี้ยกาลังหายใจอยู่รู้สึกทั้งตัวเลยนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมการหายใจแล้วก็รู้ ว, ว่าจิตมันหนีไปละเพราะฉนั้ น, นะะหายใจเรื่อยๆนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปที่อื่นฝึกอย่างเนี้ยเรื่อยๆ คนต่อไปเขาเง่วงง่ายครับง่วงครับจะคิดเยอะพวกฟุ้งซ่านมากพอหมดแรงฟุ้งซ่านมันจะกลับเข้ามาที่เสื่องซึมนะมันจะเป็นธรรมชาตินะพวกฟกุ้งมากจะซึมมากง่วงนะนั่นก็พยายามทำกรรมฐานใชกอย่างนะให้ใจมันไม่ฟุ้งมาก เช่นเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจของเรานะพุโทโธไปใจฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธไปใจสงบก็รู้หากรรมฐานให้จิตมันอยู่มันจะได้ไม่ฟุ้งมากถ้าเราไม่ฟุ้งมากแล้วมันจะไม่เสื่องซึมนะถ้ามันฟุ้งมากมันก็เหมือนจิตก็เหมือนร่างกายเวลาทำงานมากๆแล้วมันก็อยากนอนจิตที่ฟุ้งมากๆก็คือจิตทางานมากมันก็อยากนอนมันก็จะหลับไปเลย เพราะฉะนั้นเราหากรรมฐานนะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ตัวไปเรื่อยๆใจก็จะไม่ซึมถ้าไม่ฟุ้งก็ไม่ซึมต้อคนต่อไปเขาอยู่แล้วชิวประจำวันจะดูกายกับดูใจครับรู้สึกว่าฟุ้งก็มีความสงสยัยอยากจะรู้ว่าทำยังไงเพิ่มสมาธิครับ ก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วสมาธิมันจะเพิ่มเช่นพุทโธพุทโธไปด้ว่อยคนนี้ควรจะพุทโธนะคนตะกี้เนี่ยควรจะหายใจนะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันันนี้ต้องบริกรรมไปแล้วก็เวลาบริกรรมเนี่ยการบริกรรมมันก็คือการคิดแต่มันเป็นการคิดแบบที่เราตั้งใจจงใจคิด ให้เราคิดคำว่าพุโทโธพอเราขาดสติเมื่อไหร่จิตมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะไม่คิดพุโทโธไม่คิดอย่างอื่นเราก็จะรู้ได้เร็วนะพอเรารู้ว่าจิตมันหลงไปแล้วเนี่ยสมาธิมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่รู้ว่าจิตหลงไปเนี่ยสมาธิจะเกิดพอฝึกบ่อยๆเนยหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สุดท้ายสมาธิเหมือ น, นี่ยเด่นดวงรู้สึกตัวอยู่ได้ทั้งวันเลย โดยที่เราไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาใช้ไม่ได้ใจจะเครียดคนนี้ฟุ้งเก่งจริงนะฟุ้งเก่งงั้นแทนที่จะปล่อยให้มันคิดเลื่อยเปื่อยไปให้มันไปคิดพูดโธไปเรื่อยๆเอาคนต่อไปขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาสมาธิอ่อนเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นนะฝึกนะอีก ฝึกสมาธิไปนะแล้วก็รู้ทันจิตใจของตัวเองไปสมาธิเนี่ยมันมีสองระดับอันหนึ่งสงบมีแรงอันหนึ่งก็ตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราค่อยๆฝึกอย่างเราทำสมาธิอยู่ในหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วจิตเราหนีเรารู้จิตเ่านีไปเรารู้สมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะแล้วมันก็จะเริ่มเห็นมันเริ่มเดินปัญญาอย่าห่วงเรื่องเดินปัญญานะ การเดินปัญญาของคุณ่ไม่ยากหรอกเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงตรงนี้ก็เดินปัญญาแนะ้ะอย่า ก, กังวลเรื่องเดินปัญญานะมันเดินได้ไม่ยากให้ใจมีกำลังพอเท่านนะั้นคนต่อไปเขาอยากจะขอกมบ้านจาหลวงพ่อครับ รู้สึกร่างกายเราเร่ร่นะร่างกายเราขอโทษที่เป็นอีกคนเอนอะไม่ใช่คนนี้ครับอาไม่ใช่คนนี้หรอกเหรออา้าวถูกคนนี้แย่งไปคนนี้นะนะใจมันอย่างฟุ้งอยู่แล้วก็ชอบบังคับใจชอบบังคับใจให้นิ่ง อย่าไปบังคับมันรู้สึกต่สบายๆใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ในแต่ละวันเนี่ยใจเราไม่เคยเหมือนกันบางวันมีความสุขบางวันมีความทุกข์เราก็หัดรู้ไปวันนี้มีความสุขก็รู้วันนี้มีความทุกข์ก็รู้แล้วก็หัดบ่อยๆต่อไปเราเห็นนะในวันเดียวกันนตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกอะไรเนี่ยใจเราไม่เหมือนกัน เราก็ค่อยๆหัดดูไปเราเห็นในวันเดียวกันเนี e. ่ยแต่ละเวลาใจก็ไม่เหมือนกันพอเราชํานาญมากขึ้นเราจะเห็นว่าแต่ละขณะใจเราก็ไม่เหมือนกันเช่ขนขณะที่เห็นใจเราก็เปลี่ยนแปลงขณะที่ได้ยินใจเราก็เปลี่ยนแปลงขณะได้กลิ่นได้รสใจก็เปลี่ยนแปลงถ้าเห็นถึงทุกขณะอย่างนี้นะเก่งที่สุดละทีแรกอาจจะเห็นแต่ละวันเนี่ยใจไม่เหมือนกันต่อมาเห็นในวันเดียวกันเนี่ยใจยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ เราดูได้ละเอียดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยใจก็เปลี่ยนถ้าดูได้อย่างนี้ก็เก่งเลยนะปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับคนนี้ยังติดกันเพ่งอยู่นะยังมีเพ่งนิดๆอย่าไปเพ่งอย่าพยายามไม่ต้องพยายามรู้ตัวเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเป็นคนปกตนะิเรานักปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่นัก ที่จะบังคับตัวเองไม่ใช่นัดบังคับตัวเองเราปล่อยให้จิตใจทํางานแล้วเราก็รู้สึกไปอย่างสบายๆนะแต่ละวันแต่ละเวลาใจไม่เหมือนกันดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆบาคนต่อไปเขาบางทีรู้สึกว่าสามารถเห็นจิตทำงานได้เองอืแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คิดเอาหรือว่าจริงๆครับ จริงๆเพราะั้นเราเห็นนะอย่างเวลาจิตมันวิ่งไปวิ่งมานะแค่รู้เท่านั้นอ่ะไม่ห้ามหรอกอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดดูออกไหมนะจิตหนีไปคิดไม่ห้ามแต่หนีไปคิดเรารู้นะรู้ไปเรื่อยๆแล้วเห็นเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดมีแต่ความไม่เที่ยง คนนี้ยังสมาธิยังน้อยไปนิดหนึ่งทำในรูปแบบมากมากหน่อยนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งนะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไปสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รูนะ้ดูไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยมีแรงขึ้นกาลังยังไม่พอนะคนต่อไป เวลาภาวนาดูสภาวะจะเห็นสภาวะมากมายใจก็จ ะ, ะจำจำแนกแยกแยะแล้วจใจจะปอกตัวเองว่าคนทำยังไง อ, อย่าจะขอคำแนะนำจากพ่อภาวนาดีขึ้นเยอะนะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยรู้ตัวไหมภาวนาดีขึ้น ใจเราเป็นคนดูไปเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราดูอย่างี้ไปเรื่อยๆดูได้อยู่ไปดูต่อดีขึ้นเยอะเลยคนนี้แต่อย่าไปบังคับใจตัวเองนะตอนนี้บังคับนิดๆ น, นะไม่บังคับปล่อยให้มันทำงานไปอา้าวต่อไป เราบอกวเขาสามารถเห็นความเปลี่ยนเป็นของใจแต่รู้สึกว่ากำลังของใจสติกับสมาธิยังไม่พออยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับไม่พอก็เพิ่มมาสิวิธีเพิ่มสตินะก็คือรู้ทันสภาวะบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้บ่อยๆแล้วสติจะดีขึ้นแล้วก็ฝึกจิตมนันหนีไปจิตมนันไหลไปไคิดอะไรเงี้ยรู้ทันเรื่อยๆ แบ่งเวลาไว้ทำกรรมฐานเช่นมาหายใจไปพุโทโธไปอะไรก็ได้แล้วจิตมันหนีเรารู้หนีเรารู้อย่างง้มันจะเพิ่มสมาธิอยากเพิ่มสติก็าหาดัดดูสภาวะให้มากๆในใจเราเนี่ยสภาวะเปลี่ยนแปลงทั้งวันดูบ่อยๆแล้วสติจะดีขึ้นแล้วแบ่งเวลาไว้จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้สมาธิจะดีขึ้นขนะองฟรีไม่มีอยู่ที่ฝึกเอาเองทางนั้น ไม่มีฟลุกนะเอาต่อไปเอาให้ถูกคนนะขั้นที่แล้วนั่นจากขั้นที่เรามาเขาคอสเกิดความกลัวนั้นกลับไปเขาก็ตามกิเลสไปตอนนี้เขารู้สึกว่าภาวนาไม่เป็นนะครับภาวนาไม่เป็น ทำไมจะไม่เปลี่ยนอ่ะภาวนาจริงๆไม่ใช่ทำอะไรที่แปลกๆหรอกรู้สึกตัวไปเดี๋ยวนี้ก็พอรู้สึกได้รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนใจเราสว่างใจเราเบาขึ้นรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นใจเราไม่ไม่ได้ทำผิดนะความรู้สึกตัวไม่ใช่การบังคับตัวเองจนเคร่งเครียด ขณะเนี้ยเริ่มบังคับใจตัวเองแล้วใจเริ่มแข็งแข็งแล้วตรงเนี้ยผิดใจของคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละถูกเราเพียงแต่คอยรู้ทันเท่านั้นเองนักปฏิบัติเกิดคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี้ยควรจะจิตใจเหมือนเหมือนกันคือใจเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาแต่คนทั่วไปใจมันเปลี่ยนแปลงเขาไม่เคยเห็น นักปฏิบัตินะั้นใจก็เปลี่ยนแปลงเหมือนคนธรรมดานะนะั่นแหละรักก็เป็นโกรธก็เป็นดีใจเสียใจก็เป็นอิจฉาก็เป็นอาฆาดแค้นก็เป็นเลยเหมือนคนธรรมดาแต่เรารู้ทันใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจโลภขึ้นมาก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้แค่นี้เองที่เรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่การแกล้งบังคับใจให้นิ่ง ชับทําจิตแบบนี้นะที่หลวงพ่อทำทำหน้าให้ดูอย่าไปทําเป็นคนธรรมดาดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นคนธรรมดาที่มีสติรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆแค่นี้พอแล้วเอาคนต่อไปเขามาเขาคอร์สครั้งแรกเวลาภาวนาเขาจะ เจ็บคอครับเขาอยารู้ว่าเขาปิดผิดที่ไหนครับพอนานแล้วเจ็บคอไปหาหมอสิหมอจีนเก่งนะพ่อว่าไงเป็นหมอเองครับแล้วทำไมปล่อยให้เจ็บคอ เวลาเราภาวนานะบางคนนะมันถูกแกล้งถูกพวกพลังไม่ดีแกล้งมันมีเหมือนกันเราอย่าไปกังวลใจนะเวลามันเจ็บขึ้นมาเนี้ยทําใจให้สบายดูไปร่างกายหรือคอเราก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกเจ็บก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะ จับมันแยกเลยมันแยกไปแยกไปมันจะไม่รู้สึกว่าเราเจ็บนะจะรู้ว่าความเจ็บมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราเอามันมาทำกรรมฐานไปเลยนะ่าคนต่อไปเขาดูวิดีโอฟันธรมะประมาณหนึ่งปี เขาอยากจะรู้ว่าเขาเริ่มรู้สึกตัวเป็นหรือเปล่าครับรู้สึกเป็นแต่อย่างตอนนี้มีปิติให้รู้ว่ามีปิติเวลารู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวหมายถึงว่าไม่ลืมตัวเองมีร่างกายมีจิตใจ่ามันเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกไปแล้วก็ใจเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้ทันไปรู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกนิ่งๆอยู่เฉยๆนะ ก็ปล่อยให้กายให้ใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มีส ต, ติตามรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใจไปคิดก็รู้แต่พอรู้ว่าใจไปคิดเนี่ยเริ่มบังคับใจทำตาพลิบๆด้วยเนี่น <laughs> ยไปบังคับมัน เวลาเราบังคับใจนะใจมันจะแน่นๆมันจะหนักหนะักถ้าเมื่อไหร่ใจเราหนักใจเราแน่นนะสแสดงว่าเราบังคับใจตัวเองแล้วนะทุกคนเลยนะจับหลักไว้เลยนะถ้าเมื่อไหรพนะ่พานาแล้วหนักหนักแน่นนะแน่นแสดงว่าบังคับแล้วต้องเพ่งไว้ละถ้ารู้ว่าเพ่งเราก็ปล่อยซะอย่าไปเพ่งมันนะปล่อยให้มันทํางานอย่าไปทําจิตให้นิ่งทื่อทือแข็งแข็งอยู่ แล้วก็อย่ดส่งจิตเย่าไปดันจิตขึ้นมาคนนี้มีการดันจิตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะนึกออกไหมเออนึกออกแล้วอย่าไปดันมันกดลงมาเก็ <c oughs> บลงมาให้มันเป็นคนธรรมดาไม่งั้นเป็นนักปฏิบัติที่คอยาว จิตอย่างนี้ดีนะจิตตรงนี้จิตตรงที่หัวเราะตะเคียดีมากๆาเลยจิตตัวนั้นแหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ธรรมดาธรรมดาไม่ได้หลงไปเห็นร่างกายมันหัวเราะใจเป็นคนดนะูความรู้สึกํำก็ไม่ได้ครอบงำใจอย่างนั้นแหละดีแต่ไม่ต้องดีตลอดเวลานะถ้าอยากดีตลอดเวลาจะเป็นเพ่งทันทีเลยเคนต่อไป เวลาจงกลมเขาสามารถเห็นความคิดไม่ใช่ตัวเองก็บังคับไม่ได้ก็จะสะทืนใจมาก อ, มอย่าจะรู้ว่า น, นี้ถูกไหมครับถูกถูกแล้วล่ะเขาภาวนาดีนะก็ไปเดินอีกแล้วก็เห็นเลยทุกอย่างไม่ใช่าความคิดหรอกร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทุกชนิดก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรที่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราทางนั้นเลย ดูไปเร่ยๆอย่าไปกลัวว่าตัวเราจะหายไปนะคนเราที่มีความทุกข์ทางจิตใจก็เพราะว่ามันมีตัวเราเองถ้าไม่มีตัวเรานใจมันก็ว่างไม่มีอะไรมากระทบใจได้เฉะนั้นอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวว่าตัวเราหายไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยแหละมันคือตัวทุกข์ทั้งนั้นแหละทําได้ดีแล้วนะไปทําอีก เขารู้สะว่าเตือนสา ม, มารถเห็นจิตใจทำงานได้เองแต่เขาไม่เห็นบังคับกับเพ่งครับเขาอยากจะรู้ว่าภาวนากรรมภาวนาถูกต้องหรือเปล่าบังคับกับเพ่งนะนะทุกครั้งที่บังคับจิตหรือทุกครั้งที่เพ่งใจมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาใจมันจะแน่นๆ่นอึดอัดผิดธรรมชาติถ้าเราไม่ได้ไปเพ่งนใจมันก็จะเบาสบาย รู้ตัวได้สบายๆแล้วก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เ, เ, เ, เป็นธรรมชาติยังขนาดนี้มันเพ่งอยู่ขนาดนี้ทำใจให้นิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมใจเรามีน้ำหนักขึ้นมานทําไมถึงเพ่งที่เราเพ่งเพราะเราโลภมันมีความอยากเกิดขึ้นก่อนเราอยากปฏิบัติเราอยากดีมันก็เกิดการบังคับตัวเองเกิดการเพ่งขึ้นมา เพั้นถ้าเรารู้ทันว่าตอนเนี้อยากปฏิบัติแล้วรู้ว่าอยากเลยะความอยากดับไปแล้วเราก็ภาวนาขงเราไปปฏิบัติไปมันจะไม่เพ่งยังมีเพ่งอยู่นะแต่ว่ามาเพ่งเยอะตอนอยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อตอนไม่ได้อยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อไม่ได้เพ่งเท่านี้ะรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันเพ่งน้อยลงไม่คลายออกแล้ว ดูใจใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีสติรู้ไปเรื่อยๆไปฝึกเอาเขารู้สึกว่าพนันจิตตัวเองน้อยสมาธิน้อยคือนะจา อ, อ, อารมณ์รู้เสึกของคนอื่นครอบงามของเขาโดยง่ายอยาจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเราฝึกให้เป็นตัวของตัวเองนะไม่ให้อารมณ์ครอบงำ อารมณ์ของตัวเราเองก็ชอบครอมงําตัวเราเองเมื่อทีใจมันซึมเศร้าขึ้นมาเราเพืปล่อยอะไรเงี้ยให้มันซึมซึมไปพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวนะสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้นะพุทธโทพุทโทไปเรื่อยๆก็ได้ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นไม่สนใจที่ความรู้สึกของคนอื่นให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปจะได้เป็นตัวของตัวเองนะ อย่าไปรับอารมณ์คนอื่นเข้ามาครอบมั่มใจของเราใจต้องเข้มแข็งกว่า น, นี้สวดมนต์ไปเรื่อยพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทําไปนานๆใจจะเข้มแข็งขึ้นเอาคนต่อไปเอาคนไหนล่ะมีหลายคนครั้นที่เราหลวงพ่อบอกว่าเขาเพิง อยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อตอนนี้ครับรู้สึกไหมว่าเราเพ่งน้อยลงไปละใจเราถ้าเพ่งอยู่นะมันแน่นแน่นอึดอัดพอเลิกเพงนะ่งแล้วมันสบายขึ้นนี่พราใจเราสบายแล้วเราก็เอาใจที่สบายๆเนะี่ยมาเรียนรู้ร่างกายจิตใจของเราสังเกตไหมว่าความคิดมันเกิดได้เองใจมันคิดได้เองดูออกไหม แล้วก็คอยฝึกของเราไปเรื่อยใจมันคิดก็รู้ใจมันรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจรู้สึกตัวก็รู้ฝึกบ่อยๆสมาธิก็จะเพิ่มปัญญาก็จะเพิ่มกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งไม่มากอะไรหนอนิดเดียวเล็กๆจุดเดียวท่านเองถ้าทำได้แล้วก็เข้าใจทั้งหมดได้กี่คนละ ประมาณขึ้นหนึ่งครับหลวงพอ่ออืมอ่าให้ไปพักก่อนอไปเข้าห้องน้ำเพราะเดี๋ยวมันก็อีกยาวอยู่อากาศเย็นๆควรจะไปเข้าห้องน้ำ